รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาตวรคมุสาวาตวัคมี10บสิกขาบทคือ 1. มุสาวาตสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเทศสองโอมสวัสดสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเสียดสี 3. เปสุญญาสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวสอเสียด 4. ปทะโสธรรมะสิกขาบทว่าด้วยการให้กล่าวทำเป็นบทบท 5. สหเสยยะสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกัน 6. ทุติยสหเสยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่2 7. ธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรมแปดตาโรจนะสิกขาบทว่าด้วยการบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริง 9. ก้าทุตุลาโรจนะสิกขาบทว่าด้วยการบอกอาบัตช่วยยาก10บปฐวีคณนาณะสิกขาบทว่าด้วยการขุดดิน